ทีนี้เราจะได้พูดกันถึงสิ่งประกอบเล็กๆน้อยๆให้ยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อแวดล้อมความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความว่างในอุปริปันธาติมชิมานิกายมีพุทธภาษิตว่าสุญญานี้เรียกว่ามหาปุริสาวิหารสุญญตาคือมหาปุริสาวิหารแปลว่าความว่างนั่นแหละ คือวิหารของมหาบุรุษคือว่ามหาบุรุษอยู่ในวิหารนี้วิหารนี้ได้แก่ความว่างนี่หมายความว่ามหาบุรุษนั้นไม่มีจิตใจที่เที่ยวไปซอกแซกอยู่ที่มุมนั้นมุมนี้เหมือนปูตุชนแต่ว่าจิตใจอยู่ในความว่างอยู่ด้วยความว่างหรือเป็นความว่างเสียเลยฉะนั้น จึงเรียกสุญญตาว่ามหาพุริษาวิหารโดยเฉพาะก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันนั่นเองความว่างเป็นวิหารเป็นที่อยู่ของมหาบุรุษก็แปลว่าจิตใจของท่านอยู่ด้วยความว่างคือมีลมหายใจอยู่ด้วยความว่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันส่วนพระองค์เองโดยเฉพาะว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหาร คือค่าเวลาอยู่ด้วยสุญญาวิหารหรือให้ชีวิตล่วงไปล่วงไปด้วยสุญญาวิหารคือว่าเมื่อท่านกำลังแสดงธรรมสอนคนจิตของท่านก็ว่างจากตัวตนของตนเมื่อไปบินทบาตหรือทากิจส่วนพระองค์ท่านจิตของท่านก็ยังว่างจากตัวตนหรือของตนหรือเมื่อท่านทรงพักผ่อนหาความสุขส่วนพระองค์ที่เรียกว่ายามว่าง จิวาวิหารสุขาวิหารอะไรนี้ท่านก็เป็นอยู่ด้วยความว่างจากตัวตนหรือของตนท่านจึงทรงยืนยันแก่พระสารีบุตรว่าตถาคตให้เวลาล่วงไปด้วยสุญตาวิหารนี้เราไม่พูดกันถึงบุคคลธรรมดาสามัญที่เป็นปุถุชนเราพูดถึงมหาบุรุษพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านมีลมหายใจอยู่อย่างไร ท่านอยู่ในบทวิหารอะไรถ้าเราอยากไปเห็นกุติวิหารของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าได้นึกถึงเรื่องอิดเรื่องปูนเรื่องอะไรที่อินเดียกันนักลองนึกถึงวิหารที่ชื่อว่าสุญตาวิหารหรือมหาโพธิสวิหารกันบ้างแต่อย่าลืมว่ามันต้องเป็นปรมาณูญอย่างคือว่างอย่างยิ่งสุญตาขนาดว่างอย่างยิ่งไม่ใช่สุญญตาวบๆแบบ เหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่กลับไปบ้านก็ไม่ว่างเสียแล้วสญุญญตาวิหารหรือมหาปุริสาวิหารนั้นหมายถึงว่างอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะยาวมากเรียกว่าปารมาณุตตรสุญญาคือปารมะบวกอนุตตรบวกสุญญา รวมกันทั้งสามคำเป็นปรมานุตระสุญญตาสุญญตาที่ว่างเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าข้อนี้ถ้าระบุตามคำเทคนิคของธรรมะจะมีกล่าวถึงเจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตจนจิตว่างจากอาสวะเจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตที่จิตผ่องใสจนไรอาสวะนี้ อาจจะเป็นอย่างกุปปธรรมหรืออกุปปธรรมก็ได้คือว่าจะเป็นอย่างของคนที่จะกลับไปไม่ว่างอีกหรือว่าเป็นของคนที่ว่างเด็ดขาดไปก็ได้ท่านในขณะใดประกอบด้วยเจโตสมาธิประเภทที่ไม่มีนิมิตจะยึดถืออะไรว่ามีตัวตนของตนแล้วจิตกำลังผ่องใสไร้อาสวะอยู่ในเวลานั้นแล้วก็เรียกว่า ปรมานุตราสุญตาได้ซึ่งพระอริยเจ้าหรือพระอรหันนั้นท่านทำอยู่เป็นว่าเล่นคือเป็นไปเองถ้าเราเป็นปูทุชนจะเป็นโยคีที่สมบูรณ์กันสักทีก็ควรจะเข้าถึงเจโตสมาธินี้ให้ได้ตามการตามเวลาแม้จะไม่สิ้นอาสวะโดยเด็ดขาดก็เป็นการไร้อาสวะอยู่ในบางโอกาสบางขณะ น, นี่เราไปยืมของท่านมาคือไปยืมของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหารหันต์มาสำหรับให้พวกเราลองดูบ้างเท่านั้นเพื่ออย่าได้ท้อถอยเสียทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าความว่างก็ดีความหลุดพ้นก็ดีหรือนิพพานก็ดีมีได้ทั้งประเภทที่เด็ดขาดลงไปและประเภทที่ยังกลับไปกลับมาได้สาหรับคนเราตามธรรมดาหรือยิ่งกว่านั้น ยังมีประเภทที่ประจวบเหมาะก็ยังได้ในเมื่อสิ่งต่างๆแวดล้อมเหมาะดีเราอาจมีจิตใจว่างอย่างนี้ได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แต่ว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวนั้นคือเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติกระทำให้มันว่างได้ตามที่เราสามารถกระทำได้ที่แท้จริงนั้นที่เป็นปรมานุตรัสสุ ญ, ญาตาจริงๆนั้นท่านหมายถึงว่า แดดทำลายโลภะโทสะโมหะความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนไปเด็ดขาดเป็นสมุดเชทดประหารไปจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะกล่าวถึงสุญญาตาสุดยอดท่านต้องบัญญัตินามันไว้ว่ า, วาปารมานุตระสุญญาตา